เกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วเรื่องที่5หลักคำสอนเพื่อเป็นเกณฑ์มินิชัยก่อนจะพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการให้ผลกรรมดีและกรรมชั่วในหัวข้อถัดไปขอนำข้อความจากบาลีต่อไปนี้มาอ้างเป็นหลักสำหรับความที่ได้กล่าวมาในตอนนี้ในพระอภิธรรมปิฎกธรรมสังคณีมีข้อความดังนี้ ทำเป็นกุศลเป็นไฉนได้แก่กุศลมูลสาคืออโลภะอโทสะอโมหะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่ประกอบด้วยกุศลมูลนั้นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่มีกุศลมูลนั้นเป็นสมุดฐานเหล่านี้คือทำเป็นกุศล ทำเป็นอกุศลเป็นไฉนได้แก่อกุศลมูลสาคือโลภะโทสะโมหะและกิเลสทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่ประกอบด้วยอกุศลมูลนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ที่มีอากุศลโมลนั้นเป็นสมุดฐานเหล่านี้คือธรรมเป็นอากุศลในกุตตกรนิกายมหานิเทศและจุลานิเทศก็มีข้อความที่มาอ้างได้อีกดังนี้อันตรายมีสองอย่างคืออันตรายที่เปิดเผยและอันตรายที่ซ่อนอยู่อันตรายที่เปิดเผยเป็นไนได้แก่ ราชสีเสือโครง่งเสือเหลืองหมีเสือดาวหมาป่าโจรโรคตาโรคหูโรคจมูกหนาวร้อนหิวกระหายอุจจาระปัสสาวะสัมผัสเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานเหล่านี้เรียกว่าอันตรายที่เปิดเผยอันตรายที่ซ่อนอยู่ เป็นชะไหนได้แก่กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกามะฉันทานิวรพยาบาทนิวรัถีนมิทานิวรัอุทธัจักกุจจนิวรวิจิกิจฉานิวรัราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่อันเป็นการลบล้างปิดซ่อนความดีของผู้อื่น ความยกตัวกดเขาไว้ความริษยาความตรหนีมานยาความโอ้อวดความดื้อกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความมัวเมาความประมาทปวงกิเลสปวงความทุจริตปวงความกระวนกระวายปวงความร่านรนปวงความเดือดร้อน องความปรุงแต่งที่เป็นอกุศลเหล่านี้เรียกว่าอันตรายที่ซ่อนอยู่ที่ชื่อว่าอันตรายเพราะอัตตะว่าไรจึงชื่อว่าอันตรายเพราะอัตตะว่าครอบงำเพราะอัตตว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพราะอัตตะว่าเป็นที่อาศัยที่ชื่อว่าอันตรายเพราะอัตตะว่าครอบงำ เป็นอย่างไรคืออันตรายเหล่านั้นย่อมคมย่อมกดขี่ครอบงำท่วมทับบั่นรอนย่ำยีบุคคล น, นั้นที่ชื่อว่าอันตรายเพราะอาจตะว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นอย่างไรคืออันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าอันตรายเพราะอาจตะว่าเป็นที่อาศัย เป็นอย่างไรคืออกุสลธรรมชั่วร้ายเหล่านั้นเกิดขึ้นที่ภายในนั้นอาศัยอัตภาพอยู่เหมือนกับสัตว์อาศัยรูก็อยู่ในรูสัตว์อาศัยน้ำก็อยู่ในน้ำสัตว์อาศัยป่าก็อยู่ในป่าสัตว์อาศัยต้นไม้ก็อยู่ที่ต้นไม้สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอนันเตวาสิกานาจริยสูตร สั่งยุตตนิกายสลาญาตนาวรคว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังมีสิทธิ์อยู่ร่วมด้วยยังมีอาจารย์คอยสอดส่องย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่ผาสุกสบายภิกษุมีสิทธิ์อยู่ร่วมด้วยมีอาจารย์คอยสอดส่องย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่ผาสุกสบายเป็นอย่างไรกล่าวคือพอจักสุขเห็นรูปพอโสต ด, ดับเสียงพอจมูกดมกลิ่นพอลิ้นลิ้มรส พอกายต้องสิ่งกระทบพอใจรู้ธรรมรมอากุศลธรรมชั่วร้ายความดำริร่านอันก่อกิเลสผูกรัสทั้งหลายก็เกิดขึ้นแก่พิสุขอกุศลธรรมชั่วร้ายทั้งหลายย่อมอยู่อาศัยที่วิ่งร้านไปข้างในของเธอเพราะเหตุดังนี้นั้นเธอจึงถูกเรียกว่ามีลูกศิษย์อยู่ร่วมด้วยอากุศลธรรมชั่วร้ายเหล่านั้นย่อมคอยเรียกร้าเธอ เพราะเหตุดังนั้นเธอจึงถูกเรียกว่ามีอาจารย์คอยสอดส่องสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมลสูตรขุตกรนิกายอิติวุติกะว่าภิกษุทั้งหลายทำสามประการเหล่านี้เป็นมนทินภายในเป็นศัตรูภายในเป็นฆ่าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นผู้จองล้างภายใน สามประการนี้คืออะไรได้แก่โลภะโทสะโมหะโลภะก่อความเสียหายโลภะทำใจให้กำเริบคนไม่รู้เท่าทันว่ามันเป็นภัยที่เกิดขึ้นข้างในโลภเข้าแล้วไม่รู้อัดโลภเข้าแล้วไม่เห็นธรรมพอความโลภเข้าครอบงำเวลานั้นมีแต่ความมืดตื้อโทสะและโมหะ ก็ก่อความเสียหายเช่นนั้นเหมือนกันสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้กับพระเจ้าปเสนธิโกศลในปริสสูตรและโลกสูตรสั่งยุตธนิกายสคาทวักว่าดูกระมหาบพิธทำสามประการเกิดขึ้นภายในตัวของคนย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความทุกข์เพื่อความเป็นอยู่ไม่ผาสุก สามประการคืออะไรได้แก่โลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นข้างในตนเองย่อมบัณรอนคนใจบาปเหมือนขุยไผ่บัณรอนต้นไผ่ฉะนั้นดูกระมหาบพบผิดทำสามประการเมื่อเกิดขึ้นแก่โลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์ เพื่อความเป็นอยู่ไม่ผาสุกสามประการคืออะไรได้แก่โลภะโทสะโมหะในมูลสูตรอังคุตรนิกายติ ก, กนิบาตพระพุทธเจ้าตรัส ก, กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอากุศลมูลมีสามอย่างดังนี้สามอย่างคืออะไรได้แก่อกุศลมูลคือโลภะ อกุศลมูลคือโทสะอกุศลมูนคือโมหะแม้ตัวโลภะเองก็เป็นอกุศลคนโลภแล้วกรุงแต่งกรรมใดด้วยกายวาจาใจแม้กรรมนั้นก็เป็นอกุศลคนโลภแล้วถูกความโลภครอบงำมีจิตถูกโลภะบ่อนเสียแล้วย่อมหาเรื่องก่อความทุกข์แก่ผู้อื่นโดยฆ่าเขาบ้างจองจําบ้าง ทำให้สูญเสียบ้างตาหนิโทษเอาบ้างขับไล่บ้างด้วยถือว่าข้าเป็นคนมีกำลังข้าเป็นผู้ทรงพลังแม้ข้อนั้นก็เป็นอกุศลอกุศลธรรมชั่วร้ายเป็นอเนกซึ่งเกิดจากโลภะมีโลภะเป็นต้นเหตุมีโลภะเป็นแดนเกิดมีโลภะเป็นปัจจัยเหล่านี้ย่อมประดังมีแก่เขา ด้วยประการชนิแม่ตัวโทสะเองก็เป็นอกุศลคนมีโทสะแล้วปรุงแต่งกรรมใดด้วยกายวาจาใจแม่กรรมนั้นก็เป็นอกุศลคนมีโทสะแล้วย่อมหาเรื่องก่อทุกข์แก่ผู้อื่นแม่ข้อนั้นก็เป็นอกุศลอกุศลธรรมชั่วร้ายเป็นอเนกย่อมประดังมีแก่เขาด้วยประการชนิ แม้ตัวโมหะเองก็เป็นอกุศลคนมีโมหะแล้วปรุงแต่งกรรมใดด้วยกายวาจาใจแม้กรรมนั้นก็เป็นอกุศลคนมีโมหะแล้วย่อมหาเรื่องก่อทุกข์แก่ผู้อื่นแม้ข้อนั้นก็เป็นอกุศลอกุศลธรรมชั่วร้ายเป็นอเนกย่อมประดังมีแก่เขาด้วยประการชนีบุคคลเช่นนี้ ผู้ถูกอากุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดจากโลภะโทสะโมหะครอบงำแล้วมีจิตถูกบ่นแล้วในปัจจุบันนี้เองก็อยู่เป็นทุกข์มีความข้างเครียดขับแคนเร่าร้อนเพราะกายแตกตายไปก็เป็นอันหวังทุกติได้เปรียบเหมือนต้นสาระต้นตะแบกหรือต้นสครอก็ตามถูกเถาย่านซายสามเถาขึ้นกลุมยอด พันรอบต้นแล้วย่อมถึงความไม่เจริญย่อมถึงความพินาศย่อมถึงความเสื่อมความวอดวายภิกษุทั้งหลายกุศลมูลมีสามอย่างดังนี้สามอย่างคืออะไรได้แก่กุศลมูลคืออโลภะกุศลมูลคืออโทสะกุศลมูลคืออาโมหะในนิทานสูตร อังกุตรานิกายติกนิบาตมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายต้นเหตุเพื่อความก่อกำเนิดแห่งกรรมทั้งหลายมีสามอย่างดังนี้สามอย่างคืออะไรได้แก่โลภะโทสะโมหะกรรมใดกระทำด้วยโลภะโทสะโมหะเกิดจากโลภะโทสะโมหะมีโลภะโทสะโมหะ เป็นต้นเหตุเป็นตัวก่อกําเนิดกรรมนั้นเป็นอกุศลกรรมนั้นมีโทษกรรมนั้นมีทุกข์เป็นผลกรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเกิดกรรมต่อไปคือเป็นกรรมสมุทยัยไม่เป็นไปเพื่อดับกรรมคือไม่เป็นกรรมนิโรธภิกษุทั้งหลายต้นเหตุเพื่อความก่อกําเนิดแห่งกรรมทั้งหลายมีสามอย่างดังนี้ สามอย่างคืออะไรได้แก่อโลภะอโทสะอโมหะกรรมใดกระทําด้วยอโลภะอโทสะอโมหะเกิดจากอโลภะอโทสะอโมหะมีอโลภะอโทสะอโมหะเป็นต้นเหตุเป็นตัวก่อกําเนิดกรรมนั้นเป็นกุศลกรรมนั้นไม่มีโทษกรรมนั้นมีสุขเป็นผล กรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความดับกรรมคือเป็นกรรมนิโรธไม่เป็นไปเพื่อเกิดกรรมต่อไปคือไม่เป็นกรรมสมุทยัยในเกษะปุตตสูตรอังคุตรนิกายติกนิบาตพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเกสะปุตตนิคมได้ตรัสกับพวกชนกาลามโคดว่าดูกระกาลามชนทั้งหลายเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า ทำเหล่านี้เป็นอกุศลทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้วินยูติเตียนทำเหล่านี้ถือปฏิบัติถึงที่แล้วจะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียดูกระกาลามชนทั้งหลายพวกท่านสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรโลภะโทสะโมหะเมื่อเกิดขึ้นภายในตัวของคน ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือเพื่อไม่เกื้อกูลพวกชนกาละมะโคตต่างกราบทูลว่าเพื่อไม่เกื้อกูลพระเจ้าค่าพระองค์ตรัสต่อไปว่าคนที่โลภแล้วเครื่องแค้นแล้วหลงแล้วถูกโลภโทสะโมหะครอบงำมีจิตอันถูกบ่อนแล้วย่อมสังหารชีวิตบ้างถือเอาของที่เขามีได้ให้บ้าง ล่วงพันรยาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างชักชวนผู้อื่นให้เป็นอย่างนั้นบ้างซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานพวกตนการมโคตรทูลรับว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าข้าตรัสถามว่าดูกระกาลมชนทั้งหลายพวกท่านสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรทำเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล กราบทูลว่าเป็นอกุศลพระเจ้าค่าตรัสถามว่าประกอบด้วยโทษหรือไม่มีโทษกราบทูลว่าประกอบด้วยโทษพระเจ้าข่าตรัสถามว่าผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สันเสริญกราบทูลว่าผู้รู้ติเตียนพระเจ้าข่าตรัสถามว่าทำเหล่านี้ถือปฏิบัติถึงที่แล้วเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์ หรือหาไม่หรือว่าพวกท่านมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรกราทูลว่าถือปฏิบัติถึงที่แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์พวกข้าพระองค์มีความเห็นในเรื่องนี้ว่าอย่างนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าโดยนัยยะดังนี้แหลกาลามชนทั้งหลายข้อที่เราได้กล่าวไว้ว่ามาเถิดกาลามชนทั้งหลายท่านทั้งหลาย อย่าถือโดยฝั่งตามกันมาอย่าถือโดยตามถ้อยคำสืบสืบกันมาอย่าถือโดยการเล่าลืออย่าถือโดยการอ้างตำราหรือคำภีอย่าถือโดยตักกะอย่าถือโดยอนุมานอย่าถือโดยคิดตรองตามแนวเหตุผลอย่าถือเพราะเข้ากันได้กับทรษฎีตนอย่าถือเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าเชื่อ อย่าถือโดยนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเราเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลประกอบด้วยโทษผู้รู้ติเตียนถือปฏิบัติถึงที่แล้วเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความถุกเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียดังนี้นั้นเราได้กล่าวโดยอาศัยเหตุผลดังว่ามานี้ ต่อไปนี้เป็นคำสนทนาระหว่างพระเจ้าปเสนธิโกศลกับพระอานนท์ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับความหมายของความดีความชั่วซึ่งจะเห็นว่าท่านเอาหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นเข้าสัมพันธ์กันทั้งหมดพระเจ้าปเสนธิโกศลตรัสถามว่าพระกุณเจ้าผู้เจริญชนเหล่าใดเป็นพานไม่ฉลาดไม่ใกล้ครวนไม่พิจารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่น เราไม่ยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นแก่นสารส่วนชนเหล่าใดเป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาใคร่ครวนพิจารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นเราย่อมยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นแก่นสารพระกุญเจ้าอานนุผู้เจริญความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจา ความประพฤติทางใจที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นวินญูจะพึงกล่าวโทษได้คืออย่างไหนพระอานนท์ทูลตอบว่าคือความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นอกุศลมหาบพิตรพระราชาตรัสถามว่าความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นอกุศลคืออย่างไหนพระอานนท์ทูลตอบว่าคือความประพฤติทางกาย ทางวาจาทางใจที่มีโทษพระราชาตรัสถามว่าความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีโทษคืออย่างไหนพระอานุทูลตอบว่าคือความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีความบีบคั้นพระราชาตรัสถามว่าความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีความบีบคั้นคืออย่างไหน พระอนุนทูลตอบว่าคือความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีทุกข์เป็นผลพระราชาตรัสถามว่าความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีทุกขเป็นผลคืออย่างไหนพระอานุนทูลตอบว่าคือความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนก็ดีเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นก็ดี เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายก็ดีที่อากุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญยิ่งแก่เขากุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมถอยไปมหาบาพิษความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจอย่างนี้แหลที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นวินยูจะพึงกล่าวโทษได้ต่อจากนั้นท่านได้ทูลตอบคําถามในฝ่ายกุศลโดยทํานองเดียวกันลงท้ายสรุปว่า ความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีสุขเป็นผลคือความประพฤติที่ไม่เป็นไปทั้งเพื่อเบียดเบียนตนทั้งเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นทั้งเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายที่อกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมถอยและกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งแก่เขามหาบพอผิดความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจอย่างนี้แหลที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นวินยู ไม่พึงกล่าวโทษได้ในฉันนสูตรอังคุตรนิกายติกนิบาทท่านพระอนุน์ได้แสดงโทษของราคะโทสะและโมหะให้ฉันนปริพาชกฟังดังนี้คนอยากได้ติดไครแล้วแค้นเคืองแล้วลุ่มหลงแล้วถูกราคะโทสะโมหะครอบงำแล้วมีจิตอันถูกบ่อนแล้วย่อมคิดการเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง ย่อมคิดการเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมคิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างย่อมเสวยโทมนัตเป็นทุกข์ทางจิตใจบ้างครั้นละตราคะโทสะโมหะเสียได้แล้วก็ย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนตนไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเสวยโทมนัตเป็นทุกทางใจคนอยากได้ติดใคร่แล้ว แค้นเคืองแล้วลุ่มหลงแล้วย่อมประพฤติทุจริตทางกายทางว่าจจทางใจครันละราคะโทสะโมหะเสได้แล้วเขาย่อมไม่ประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจคนอยากได้ติดใคร่แล้วแค้นเคืองแล้วลุ่มหลงแล้วมีจิตถูกบอนแล้วย่อมไม่รู้ตามเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ตนแม้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่น แม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครั้นละราคะโทสะโมหะเสียได้แล้วเขาย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ตนแม้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่นแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมีพุทธพจน์ในเรื่องชาวนาคุตกรนิกายธรรมบทภาละวักว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนใจภายหลังมีหน้าชุ่มด้วยน้าตาร้องไห้ สเสวยผลกรรมที่ทำนั้นไม่ดีบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังมีจิตเอิบอิ่มดีใจสเสวยผลกรรมที่ทำนั้นแลดีในจุลละนันทยชาดกมีพุทธศาสนาสุภาษิตว่าคนทำกรรมใดไว้ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเองมีพุทธพจน์ในเรื่องอหิเปรกขุตการนิกายธรรมบทภารวักอีกว่ากรรมชั่ว ก็เหมือนน้ำนมรีดใหม่ๆย่อมไม่แปรเป็นผลในทันทีแต่กรรมชั่วย่อมตามเผาลนคนผานเหมือนไฟที่เท่าปิดไว้มีพุทธพจน์ในเรื่องพระอังคุลิมาละเทระกุตกรนิกายธรรมบทโลกวักว่าบุคคลใดเคยทำกรรมชั่วไว้แล้วกลับตัวได้หันมาทำดีปิดกั้นบุคคลนั้นย่อมทำโลกให้แจ่มใส เหมือนดังดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกในมิตรสูตรสั่งยุตินิกายสขาทวักเมื่อเทวดาทูลถามว่าอะไรหนอเป็นมิตรติดตามไปถึงพบหน้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่าความดีที่ทำไว้เองเป็นมิตรติดตามตัวสืบต่อไปในอังคุตรนิกายทุกนิบาทปัมปัญ น, นาตมีพุทธพจน์ดังนี้อานน์ กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่เรากล่าวว่าไม่ควรทำโดยส่วนเดียวนี้เมื่อผู้ใดกระทำก็พึงหวังโทษต่อไปนี้ได้คือตอนเองก็กล่าวโทษตนได้วินยูทั้งหลายใคร่ครวญแล้วย่อมติเตียนกิติศัพท์อันชั่วร้ายย่อมกระจรไปตายก็หลงฟั่นเฟือนเมื่อกายแตกทำลายภายหลังมรณะ ย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนรกอานน์กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตที่เรากล่าวว่าควรทำโดยส่วนเดียวนี้เมื่อผู้ใดกระทำก็พึงหวังอานิสงส์ต่อไปนี้ได้คือตนเองก็กล่าวโทษตนไม่ได้วินอยู่ทั้งหลายใกล้ครวนแล้วย่อมสรรเสริญ กิติศัพท์ดีงามย่อมกระจรไปตายก็ไม่หลงฟั่นเฟือนเมื่อกายแตกทำลายภายหลังมรณะย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายจงละอากุศลเสียเถิดอากุศลเป็นสิ่งที่อาจละได้หากอากุศลเป็นสิ่งที่ไม่อาจละได้แล้วใสเราคงไม่กล่าวอย่างนั้นแต่เพราะอากุศลเป็นสิ่งที่อาจละได เราจึงกล่าวอย่างนั้นอันหนึ่งหากอากุศล น, นี้คนละเสียจแล้วจะพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แล้วใสเราคงไม่กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายจงละอกุศลเสียเถิดแต่เพราะอากุศล น, นี้คนละได้แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลาย จงละกุศลเสียเถิดภิกษุทั้งหลายจงฝึกอบรมเจริญกุศลเถิดกุศลเป็นสิ่งที่อาจฝึกอบรมได้หากุศลเป็นสิ่งที่ไม่อาจฝึกอบรมได้แล้วใสเราคงไม่กล่าวอย่างนั้นแต่เพราะกุศลเป็นสิ่งที่อาจฝึกอบรมได้เราจึงกล่าวอย่างนั้นอันหนึ่งหากุศลคนฝึกอบรมแล้ว จะพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แล้วใสเราคงไม่กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายจงฝึกอบรมเจริญกุศลเถิดแต่เพราะกุศล น, นี้คนฝึกอบรมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายจงฝึกอบรมเจริญกุศลเถิดในกายสูตร อししังคุตรณนิกายทศกันิบาตมีพุทธพจน์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายทมที่พึงละด้วยกายมิใช่ด้วยวาจาก็มีทำที่พึงละด้วยวาจามิใช่ด้วยกายก็มีทำที่พึงละมิใช่ด้วยกายมิใช่ด้วยวาจาต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้ก็มีทมที่พึงละด้วยกายมิใช่ด้วยวาจาเป็นไฉน คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงความละเมิดอันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยกายเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวินยูใคร่ครวญแล้วกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุถึงความละเมิดอันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยกายจะเป็นการดีแท้ที่ท่านผู้มีอายุได้โปรดละกายทุจริตจงบำเพ็ญกายสุจริตเถิดเธอถูกเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวินยูใคร่ครวญแล้ว ว่ากล่าวอยู่จึงละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตนี้เรียกว่าทำที่พึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาทำที่พึงละด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายเป็นไนคือภิกษุนในธรรมวิไนนี้เป็นผู้ถึงความละเมิดอันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยวาจาเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวินยูใคร่ครวนแล้วกล่าวกับเธออย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุถึงความละเมิดอันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยวาจาจะเป็นการดีแท้ที่ท่านผู้มีอายุได้โปรดละวจีทุจริตจงบำเพ็ญวจีสุจริตเถิดเธอถูกเพื่อนพรมจารีผู้เป็นวินยูไคร้ครวนแล้วว่ากล่าวอยู่จึงละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตนี้เรียกว่าทำที่พึงละด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกาย ทำที่พึงละไม่ใช่ด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้เป็นไนคือโลภโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความยกตัวกดเขาไว้ความตรณีพึงละไม่ใช่ด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้